ธรรมเนียมกรรมฐานครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานนี่ในยุคสมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่ม่นหลวงปู่สิงนี่รู้จักกันหมดการปกครองของพวกเราเนี่ยมันมีสองฝ่ายการปกครองที่เป็นพื้นฐานเราขึ้นกับเจ้าคณะผู้ปกครองฝ่ายบริหาร น, นี่เป็นส่วนหนึ่งในทางกฎหมายปกครองคณะสงฆ์แต่ในสายธรรมวินัยเนี่ย เราขึ้นกับครูบาอาจารย์ของเราถ้าพูดถึงว่าอำนาจบังคับบัญชาเนี่ยฝ่ายบริหารท่านมีอำนาจทางวินัยทางกฎหมายแต่อำนาจสิทธขาดมันสู้ครูบาอาจารย์ของเราไม่ได้ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ของเรานี่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้องค์นี้อยู่ตรงนี้อยู่ให้ได้สมปีทีนี้ถ้าถึงสามปีแล้ว ถ้าใครยังไม่ขยับท่านเอาองค์อื่นมาไล่เออไปช่วยท่านองค์นั้นหน่อยไปเดี๋ยวอยู่นานมันจะติดยาติดโยมติดข้าวติดขนมท่านว่าอย่างนี้แล้วแต่ใครจะสมัครไปถ้าไม่สมัครท่านก็สั่งสั่งแล้วต้องไปพอไปแล้วเออท่านเอยอยู่เป็นสมภารมานานปีแล้วให้เราขอเป็นสมภารหน่อยเถอะเราอยากเป็นสมภาร บางท่านก็ไปพูดตลกๆอย่างนี้แล้วท่านก็รู้ความหมายกันท่านไม่ได้กล่าวหาว่าท่านองค์นี้มาไล่เราหนีนี่ท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นท่านรู้แผนการของครูบาอาจารย์อยู่แล้วถึงแม้จะมีอะไรอย่างคล่องอยู่ท่านก็มอบหมายกันพูดแล้วก็คล้ายๆกับว่าถ้าครูบาอาจารย์พูดแล้วไม่มีใครขัดแย้งพูดแล้วเป็นแล้ว แม้แต่สิ่งของที่เขาเอามาถวายอย่างนี้องค์ใดองค์หนึ่งโอ้สิ่งนี้ผมไม่มีใช้ผมขอซะทุกคนก็ยกมือสาธุเลยไม่มีใครขัดแย้งสิ่งของของกันและกันนี่เอออันนี้มันมีเยอะเว้ยขอแบ่งไปใช้หน่อยอา้าวนิมนต์เลยถึงไม่ขอก็อพอมีของมาท่านจะถามว่านี่มีใช้ไหมไม่มีอยากได้ไหมละ่ะ ได้ก็ดีแล้วท่านก็ถวายกันไปเลยของจะมีค่ามีราคาเท่าไรเท่าไรท่านไม่ได้คํานึงถึงคําว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนในวงการคณะกรรมฐานเนี่ยไม่มีหลวงพ่อเจ้าคุณธรรมบัณฑิตเจ้าคุณเทพกวีมหาคายแล้วก็หลวงพ่อตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันใช้สตางค์กระเป๋าเดียวกันโดยเฉพาะหลวงพ่อใหญ่เจ้าคุณธรรมบัณฑิตเนี่ย อ้าวบัทุระโน่นไม่รู้ละเราก็รู้นิสัยครูบาอาจารย์อยู่แล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมพอไปโน่นไปนี่เขามีการก่อสร้างมีอะไรท่านจะช่วยอ้าวเอาปัจจัยช่วยเขาหน่อยพันสพนเรามีหรือไม่มีท่านไม่เคยถามแต่เรารู้นิสัยกันแล้วเราก็ต้องเตรียมพร้อมถ่ายเดียวแล้วก็ไม่เคยปฏิเสธแม้แต่ไปสวดบินบางสังสวดมาด้วยกัน ท่านไม่เคยแบ่งให้ท่านจะเอาไปทำอะไรท่านก็เอาไปเถอะเราก็ไม่ว่าไม่ได้ติดใจเราก็มารู้ระเบียบการของวัดป่าสารวันตั้งแต่หลวงปู่สิงหลวงปู่อ่อนท่านอยู่ผลประโยชน์ที่เกิดจากพระสงฆ์นี่ใครจะไปได้มาจากทางไหนมารวมกันไว้ในจุดเดียวกันท่านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนบุคคลแต่ท่านจะพิจารณาสงเคราะห์กันเป็นครั้งคราว